8. กันดุปฏิชาธิสิกขาบท143ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้ทำผ้าปิดฝีเกินขนาดณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ